เอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์นและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รุวาลมงคลสุภบวบริทวายพระพจรจัตรล่าราชมงคลและถวยราชอภิวาสบาทราชาพระปกป้องชาวประชา พระเมตตาแผ่ทั่วไทยอัญเชิญพระไตรรัตน์สิหริวัฒพิพัฒไกลคุ้มครองพระทรงชัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 รองรับการให้บริการสองสาขาสาขาที่หนึ่งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่สองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีศูนย์เรงิงศิษย์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสาม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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงกาชาดนิวส์วันนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะกับความภาคภูมิใจในความสำเร็จและเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศาสตราจารย์กิติคุณในายแพทย์ประพันธ์พานุภาพผู้อำนวยการสมิตใจโรคเอดส์ภาคการชาติไทยได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลปาตากาธาเกียรติยศเอ็นกัวริแมนเลคเชอร์อวอร์ดในครั้งนี้ค่ะ ตาตราจางกิติคุณในแพทย์ประพันธ์พานุภาคได้เกล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยในปีพุทธศักราช2539ได้มีการจัดตั้งศูวนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทยออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์เพื่อการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอสค่า The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration ค่ะ ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์และเคลียร์อรัตออสเตรเลียได้ร่วมกันติดต่อบริษัทยาให้จัดส่งยาต้านเชื้อเอชไอวีพร้อมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สภาการชาติไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้รัฐบาลไทยในเวลานั้นส่งเสริมการผลิตยาต้านเชื้อเอชไอวีภายในประเทศโดยองค์การเภสัชกรรมพร้อมประกาศจะรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีห้าหมื่นคนทั่วประเทศเนื่องในการประชุมเอสน า, น, านาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ และต่อยอดไปสู่การมันจุดนโยบายให้อยากต้านเชื้อ HIV แก่ผู้ป่วยทุกรายในสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแผ่งชาติในปี2549ค่ะ แต่เนื่องจากยาต้านเชื้อ HIV ขณะนั้นนะคะยังคงมีราคาค่อนข้างสูงแม้จะมีงานวิจัยพบว่านะคะยิ่งผู้ป่วยได้รับยาต้านเชื้อ HIV เร็วยิ่งดีและจะมีโอกาสหายขาดจากโรคได้มากขึ้นซึ่งในทางปฏิบัติค่ะแพทย์จำเป็นต้องใส่ยาให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก่อนหากผู้ป่วยยังมีระดับภูมิคุ้ ม, มกันสูงก็ยังไม่จำเป็นต้องได้รับยา จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2557ค่ะประเทศไทยประกาศให้หยุดต้านเชื้อ HIV แก่ผู้ป่วยทุกรายโดยไม่มีการกำหนดระดับภูมิคุ้มกันอีกต่อไปค่ะถือเป็นประเทศที่สี่ของโลกค่ะ ในปี2559นะคะคลีนิกนิวระนามสภากาชาติไทยไดย้เริ่มโครงการให้อย่าตั้นเชื้อ HIV ภายในวันเดียวกับที่ตรวจพบโดยผู้รับบริการจะได้รับอย่าตั้นเชื้อ HIV เป็นเวลาสองสัปดาห์ทันทีหลังจากผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่มีวันโรคและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราคา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์หลังจากที่พบว่าในประเทศไทยนั้นมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณปีละหกพันคนแต่กลับมีผู้เสียชีวิตถึงปีละประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนค่ะเนื่องมาจากการตรวจพบการติดเชื้อและได้รับอยาต้านเชื้อเอชไอวีช้าเกินไปค่ะ ด้านความสำเร็จของประเทศไทยในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์ประพันธ์นะคะได้พูดถึงการจัดตั้งคลินิกเนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์พักาชาติไทยปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะคะเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำตรวจหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เกิดความกล้าที่จะเข้ามารับการบริการมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้ยังได้เริ่มต้นดำเนินโครงการช่วยลดการติดเอชจากแม่สูตรลูกสภาการชาติไทยและได้รับยกย่องจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในการยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สูตรลูกได้เป็นผลสำเร็จเป็นลำดับที่สองของโลกและโครงการให้ยาต้านไวรัสเอช ก, ก่อนการสัมผัสเชื้อหรือโครงการเพล็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองที่มีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่พบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สูงค่ะ ศูวนย์วิจัยโรคเอชพาร์ก้าชาติไทยนะคะยังถือเป็นแหล่งวิจัยใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้นำผู้ป่วยติดเชื้อใหม่หรือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีไม่เกินสองสัปดาห์มาเริ่มให้ยาต้านเชื้อเอชไอวีทันทีโดยการให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างรวดเร็วค่ะในขณะที่เชื้อเพิ่งเข้าสู่ร่างกายและอยัางไม่แสดงอาการรุนแรงอาจนำไปสู่การหยุดยาได้โดยที่เชื้อนะคะไม่กลับมาใหม่หรืออาจรักษาให้หายขาดได้ในอนาคตค่ะ ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะได้แนวคิดที่จะยึดเอาประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคเอชในประเทศของตนเองโดยมีแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของหลายๆโครงการที่ศาสตราจารย์กิติคุณในายแพทย์ประพันธ์ได้นำเสนอไปอีกด้วยค่ะ ตลอดระยะเวลากว่าสามสิบปีนะคะทั้งหมดล้วนเป็นโครงการนำร่องที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ความสำเร็จยุติเอดและยกระดับการดูแลรักษาและการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคเอสในหลายๆด้านค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงสนทนารอบรัวค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ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 It was a turn, one no, and a man by to ride. Quam racking me car. Tish and Rotikai fan, raptition Kaiko tie. Make it me fun, but a pan come. ロックとロック、よく見る เอสคอร์ดออนเรดิโอช่วงสนทนารอบรั้ว สนทนารอบรัวนะคะวันนี้มีเรื่องราวของพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่เกียรติยศสูงสุดของครูผู้ให้ที่ไร้ชีวิตมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ค่ะสำหรับมนุษย์ทั่วไปแล้วนะคะความตายอาจเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตแต่สำหรับผู้ที่อุทิศร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแพทย์หรือที่เราเรียกทันว่าอาจารย์ใหญ่ความตายเป็นจุดกำเนิดของการเป็นครูผู้ให และเป็นการส่งต่อลมหายใจให้แก่ผู้ที่ถูกทรมานจากความเจ็บปวดได้อีกจำนวนมากค่ะ เมื่อการศึกษากับร่างของอาจารย์ใหญ่ในการฝึกฝนประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านหัตถการณของนิสิตแพทยและแพทยเฉพาะทางสาขาต่างๆจะสิ้นลงนะคะในแต่ละปีการศึกษาแล้วภาควิชาการวิภาคาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็ได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงโศกแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินะคะของท่านอาจารย์ใหญ่ค่ะแล้วก็แสดงความเคารพอย่าง สูงสุดนะคะตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็พิธีทางศาสนาค่ะถือเป็นการแสดงความกระตันยูกระตาเวทิตานะคะแล้วก็ไว้อะไรแดบผู้อุทิตรร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะผู้ช่วยสาตราจารย์แพทย์หญิงมนตการตันสถิต หัวหน้าห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ภาควิชาการวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษางานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้กล่าวว่าภายหลังจบปีการศึกษาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนำรายชื่อผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้นขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเพราะถือเป็นผู้ที่ ที่ทำคุณประโยชน์แก่วงการแพทย์ด้วยการบริจักรร่างกายหรืออวัยวะค่ะ ซึ่งจะมีการจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล น, นะคะออกเมโรุแล้วก็พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาก่อนวันพิธีพระราชทานเพลิงศพหนึ่งวันค่ะโดวยมีคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาค่ะในพิธีก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งการค่ะแล้วก็การสวดพระอภิธรรมด้วยค่ะ สำหรับบนงานพิธีพระราชทานเพลิงศพในช่วงเช้านะคะจะมีการนิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนตร และเลียงพระทหารเพลนในเวลาสิบสามนาฬิกาจะมีการพระราชทานเพลิงศพผู้ทิศ ร, ร่างกายเพื่อการศึกษาซึ่งในการประกอบพิธีดังกล่าวก็จะนำเฉพาะตัวแทนร่างกายของอาจารย์ใหญ่ทุกท่านเช่นผิวหนังหรือว่าเส้นผมปลาบรรจุรวมกันในหีบทองเพื่อนำเข้าร่วมพิธีค่ะส่วนร่างของอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านจะบรรจุหีบแยกและนำไปประกอบพิธีชาปนากิจตามวัดต่างในภายหลังเมื่อเสร็จพิธีชาปนากิจคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจะทำพิธีล อ, อ, อยอังคารต่อไปค่ะ ในแต่ละปีการศึกษานะคะก็จะมีร่างอาจารย์ใหญ่ที่ครบกำหนดเข้าพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษประมาณสามร้อยร่างต่อปีซึ่งในปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดที่ผ่านมานะคะก็ได้มีร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งสิ้นสองร้อยแปดสิบสี่ร่างค่ะและได้มีการจับพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่อาคารแพทย์เทียพัฒน์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวัน ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณวัดท่าทองพระอารามหลวงค่ะโดยมีคณะอาจารย์แพทย์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่2คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครอบครัวและญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเจ้าหน้าที่อาสากรารชาติและบุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจจะบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ ศาสตราจารย์ในแพทย์ธนว่าตันสถิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าความต้องการในการเรียนรู้การทำหัตการกับร่างอาจารย์ใหญ่นะคะมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะนอกจากนิสิตแพทย์ชั้นปีที่สองจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์จากร่างของอาจารย์ใหญ่เป็นหลักแล้วนะคะเพราะว่าการเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่โดยตรงนะคะทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง กว่าการอ่านจากตำลาหรือว่าดูจากหุ่นจำลองค่ะ ในหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือว่าการผ่าตัดขั้นสูงต่างๆแพชพอร์ททางที่ได้ผ่านการอบรมทักษะทางหัตถการกับร่างของอาจารย์ใหญ่ก่อนนำมาปฏิบัติงานจริงในผู้ป่วยจะเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์ในการทำหัตถการนะคะทำให้การผ่าตัดในผู้ป่วยจริงนั้นมีภาวะแทรกซ้อนลดลงเพิ่มประสิทธิผลการรักษาการฝึกปฏิบัติกับร่างอาจารย์ใหญ่จึงกลายเป็นมาตรฐานสากลค่ะ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาในปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนหนุ่มสาวไวัยทำงานที่ให้ความสนใจแจ้งความจำงขอบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์นะคะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ร่างกายหลังความตายของตนเองนะคะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปค่ะ สำหรับผู้มีความประสงค์นะคะจะอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเมื่อถึงแก่กรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ศาลาธินารัฐโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยหรือบริจาคอิเล็ตได้ที่เวอร์ไวด์เว็บ redcross.or.th/donate หรือ http colon slash slashjulalongkornhospital.go.th ค่ะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะ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 เลสคอตออนเรดิโอช่วงความรู้คู่สุขภาพกลับเข้าสู่ช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของสุดยอด15สมุนไพรสามารถรักษาโรคเบาหวานบำรุงสุขภาพและสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ เรื่องใหญ่ที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือระดับน้ำตาลในเลือดนะคะถ้าหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปค่ะก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาค่ะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานขึ้นตาหรือแม้แต่โรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะซึ่งอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการรับประทานสมุนไพรค่ะเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องโรคเบาหวานได้แล้วนะคะก็ยังได้ของแถมเป็นสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ อย่างเช่นสมุนไพรทั้ง15ชนิดนี้นะคะที่สามารถรักษาอาการเบาหวานพร้อมประโยชน์เพื่อสุขภาพดีอีกมากมายค่ะเรามาเริ่มกันที่มาราคีน ก, กันก่อนเลยนะคะสมุนไพรไทยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดมีสารซาเรนตินที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและช่วยเพิ่มการหลั่งของอิสุลินจากตับอ่อนเพิ่มความทนทานต่อกลูโคสของร่างกายและช่วยเร่งการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดค่ะ อบเชยหรือชินนามอนนะคะเป็นสมุนไพรในการช่วยเพิ่มการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงค่ะควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยค่ะ ตดหมูตดหมาแม้ว่าชื่ออาจจะแปลกไปสักนิดนะคะแต่สรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลในเลือดนั้นไม่มีบกพร่องเลยค่ะสารส ก, กัดของใบตดหมูตดหมานั้นสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยการเพิ่มการหลั่งของอินซูลินในร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสาระลดไขมันในเลือดช่วยล้างพิษแก้ท้องอืดท้องผูกถ่ายพยาธิแก้อ่อนเพลียตกเลือดหรือแม้แต่แก้ปวดเมื่อยก็ได้เช่นกันค่ะ ตำลึงค่ะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีพอๆกับโสมนะคะแค่เพียงรับประทานตำลึงเพียงวันละ50กรัมติดต่อกันเป็นประจำทุกวันก็สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติได้ค่ะกระเทียมมีสารอันซิลินค่ะลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดมีฤทธต่อต้านโรคเบาหวานลด ร, ระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยเพิ่มการหลั่งของอินซูลินได้ค่ะ เฮต์ลินจื้อนะคะไม่เพียงแต่รักษาโรคมะเร็งเท่านั้นยังมีฤทธิก์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินช่วยให้น้ำตาลที่อยู่ในเลือดถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่กร่างกายและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงค่ะบอระเพ็ดช่วยบำรุงหัวใจลดไข้และช่วยให้เจริญอาหารที่สำคัญบอระเพ็ดยังมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่อาจทานยากนะคะเพราะว่ามีรสขมแต่ก็อย่าลืมค่ะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะ มะเขือพวงค่ะและน้ำมะเขือพวงสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะชาเขียวสารฟอรีฟินอลในชาเขียวนะคะเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซ ล, ลจากการถูกทำลายลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยส่งเสริมการทำงานของอินซูลินและเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยในการลดน้ำหนักค่ะ คมิ้นนะคะชะลอการเกิดโรคเปลาหวานชนิดที่2ช่วยป้องการเซลล์จากการถูกทำลายได้ขิง้งมีอริตรดระดับน้ำตาลในเลือดรดระดับของคอร์รสเซอรอลในเลือดและยังส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินซูลินด้วยค่ะ ว่านหางจอระเข้น้ำของว่านหางจอระเข้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ลดอาการบวมและรักษาแผลสามารถใช้กับผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยค่ะเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดเป็นแผลขึ้นมานะคะมักจะมีปัญหาแผลหายช้าค่ะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย กระเจี๊ยบเขียวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดน้ำตาลในเลือดกระเจี๊ยบเขียวมีไฟเบอร์สูงช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้โสมเพิ่มภูมิคุ้มการันและก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆช่วยชะลอการดูดซึมของคาร์โบไฮเรดรตและเพิ่มการทำงานของเซลล์ช่วยให้เซลล์สามารถดึงเอากรุ๊กโค้ดไปใช้งานได้มากขึ้นเพิ่มการหลั่งของอินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงค่ะ และสุดท้ายค่ะผักเชียงดาโดวยผักชนิดนี้นะคะจะนำเอาน้ำตาลในร่างกายไปเผาผ่านมากขึ้นและยังเข้าไปฟื้นฟูเบต้าเซลล์ของตับอ่อนที่เสียหายจากการถูกน้ำตาลทำลายนะคะซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งชนิดที่หนึ่งและสองช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนค่ะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานแถมยังเพิ่มการหลั่งอินซูลินได้อีกด้วยค่ะ แม้ว่าการใช้สมุนไพรจะช่วยรักษาอาการเบาหวานได้แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าสมุนไพราบางชนิดนั้นอาจส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยหากคิดจะใช้สมุนไพรครวบคู่ไปกับการรักษาปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก่อนจะดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Rescort on Radio